อีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้ช่วยที่ดีและความกล้าหาญเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวของมหาโมคลานะคือคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของวิสาขาฮิขารมานดาในบุพารามนครสาวัิถีวันอุโบสถวันหนึ่งพระาศาสดาประทับนั่งท่ามกลางพิสุสง์เพื่อทรงแสดงโอวาทปฏิโมกแต่ทรงประทับนั่งเฉยอยู่จนล่วงปฐมยามไปแล้ว พระอานนทเถระได้ลุกจากอาสนะกระทำผ้าห่มเฉวียงบ่าพระคองอัญชลีกราบทุลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญราตรีล่วงไปแล้วปฐมมยามล่วงไปแล้วภิกษุสง์นั่งรอนานแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงพระปาติโมกแก่พิสุทั้งหลายเถิดเมื่อพระอานนท์กราบทูลดังนี้พระศาสดาก็ยังคงประทับนั่งเฉยอยู่จนล่วงมัชชิมยาม พระอา น, นุลก็กราบทูลดังนั้นอีกพระตถาคตเจ้าก็คงพระทับเฉยจนล่วงปัชิมยามจนอรุณรุง่งพระอา น, นุ์ได้กราบทูลอีกครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าอา น, นุ์ในที่ประชุมสงฆ์นี้มีภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ์รวมอยู่ด้วยเมื่อได้ฟังพระพุทธดำรัสเพียงเท่านี้พระมหาโมคลานะได้กาหนดจิตพิจารณาภิกษุสงฆ์งซึ่งร่วมประชุมกันอยู่ณที่นั้น ได้เห็นพิสุรูปหนึ่งผู้ทุศีลมีธรรมสามมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจมีการกระทําซึ่งปกปิดไว้ไม่ใช่สมณะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจรรยเป็นคนเน่าในมิกิเลตร้ายสางได้ยากเหมือนกองอยากเยื่อนั่งอยู่ท่ า, กามกลางพิสุสง์พระมหาโมคคลานะเข้าไปพูดกับพิสุนั้นว่า ลุกขึ้นเถิดอาหุโสพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นท่านแล้วแต่พิสุนั้นคงนั่งเฉยพระมหมาโมคลานะพูดดังนั้นถึงสามครั้งพิสุผู้ทุสีลก็ยังคงนั่งเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่เข้าใจพระมหมาโมคลานะผู้เลิศทางฤทธิ์ตสินใจจับแขนพิสุรูปนั้นกร้่าออกไปทิ้งไว้ที่ภายนอกซุ้มประตูแล้วใส่กรอนโรงอุโบสถแล้วกราบทูลพระาศาสดาว่า ถ้าแต่พระสุคตเจ้าบุคคลผู้ไม่บริสุทธิ์ข้าพระองค์ฆ่าออกไปแล้วบัดนี้ภิกษุบริสัทธ์บริสุทธิ์แล้วขอพระองค์จงแสดงพระปฏิโมกแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระสักยมุนีตรัสว่าอรรัศจริงโมคลาณนะนักนาจริงโมคลาณนะโมคะบรุษผู้ว่างเปล่าจากคุณธรรมนั้นถึงกลับต้องฆ่าแขนกันออกไป ดังนี้แล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายณนะที่นั้นว่าภิกษุทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจัะไม่ทําอุโบสถไม่สวดปาติโมกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพวกเธอนั่นแหละจงทําอุโบสถสวดปาติโมกันเองภิกษุทั้งหลายเป็นการไม่เหมาะสมไม่สมควรที่ตถาคตจะพึงทําอุโบสถสวดปาติโมกร่วมกับบริษัทผู้ไม่บริสุทธ พระศาสดาตรัสชี้แจงถึงเรื่องที่ไม่ทรงสวดปฏิโมกดังนี้แล้วตรัสถึงความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัยแปดประการเทียบด้วยความอัศจรรย์แห่งมหาบุรุษดังต่อปีนี้หนึ่งมหาบุรุษลาดลงตามลำดับลึกลงตามลำดับ ไม่โตรกชันเหมือนภูเขาขาดฉันใดธรรมวิไนนี้ก็ฉันนั้นมีการศึกษาและการปฏิบัติการบรรลุผลตามลำดับ 2. น้ำในมหาสมุทรย่อมไม่ล้นฝั่งฉันใดในธรรมวิไนนี้ก็ฉันนั้นสาวกของเราย่อมไม่ล่วงสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แล้วแม้จะต้องสูญเสียชีวิตก็ตาม 3. มมหาสมุทรย่อมไม่อยู่กับซากศพ ย่อมสัสว์ศาสาักสดขึ้นฟังโดยเร็วฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นบุคคลใดทุศีลมิธรรมสามสงย่อมไม่ยอมอยู่ร่วมกับบุคคลเช่นนั้นย่อมประชุมกันขับไล่เสียจากหมู่พิสุพู้ทุศีลเช่นนั้นแม้อยู่ท่ามกลางสงก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลแม้สงก็ชื่อว่าห่างไกลจากบุคคลเช่นนั้นสมหานาทีทั้งหลายเมื่อไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละนามของตน ถึงซึ่งการนับว่ามหาสมุทรชันใดในธรรมวิันนี้ก็ฉันนั้นวันนะทั้งหลายอาทิวันนักษัต์เมื่อออกบวชแล้วย่อมละนามและโคตรเดิมของตนถึงซึ่งการนับว่าเป็นสมณะสักยะบุตรเสมอเหมือนกันหมดหสายน้ำจากแหล่งต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรอยู่เสมอแต่ความร่องหรือความเต็มย่อมไม่ปรากฏฉันใดในธรรมวิไนก็ฉันนั้น แม้จะมีภิกษุเป็นอันมากปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุไปแล้วแต่ความพร่องหรือความเต็มหาปรากฏแก่นิพานธาตุนั้นไม่หมหาสมุติมีรถเดียวคือรถเข็มฉันใดธรรมวินัยก็ฉันนั้นมีรถเดียวคือวิมุตติรถความหลุดพ้นจากอสวกิเลสทั้งปวงเจมหาสมุติมีรัตนะเป็นอันมากฉั้นใดธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น มีรัตนคือทำเป็นอันมาก 8. มหาสมุดเป็นที่อยู่อาศัยของพูดใหญ่ๆเป็นอันมากฉันใดธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเป็นที่อาศัยอยู่ของพูดใหญ่ๆเป็นอันมากเช่นพระโสดาบันเป็นต้นพิสูจทั้งหลายพูดทั้งหลายได้เห็นความมหาศจั์แห่งมหาสมุทแปดประการนี้แล้วย่อมอภิรม์ต่อมหาสมุดนั้นฉันใดพูดทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้น ได้เห็นความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัยแปดประการนี้แล้วย่อมอภิ ร, รม์พอใจต่อธรรมวินัยนี้ฉันนั้นพระศาสดาทรงเปลงพระอุทานในขณะนั้นว่ากิเลสย่อมครอบงำกำซาภิกษุผู้ปกปิดอาบัติไว้แต่ไม่ครอบงำกำซาภิกษุผู้เปิดเผยอาบัติเพราะฉะ น, นั้นควรเปิดเผยอาบัติด้วยอาการอย่างนี้กิเลสจักครอบงำไม่ได้ ดูก่อนผู้สแสวงสันติอุรบดตั้งแต่บัดนั้นมาพระศาสดามิได้ทรงธรรมอุโบสถสวดปาติโมกุร่วมกับพิจุตทั้งหลายอีกเลยแต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพระปาติโมกุที่พระศาสดาทรงสวดนั้นหมายถึงพระโอวาทปาติโมกุไม่ใช่พิกขุ ป, ปาติโมกุโอวาทปาติโมกุคือพระธรรมอันเป็นหลักสําคัญส่วนพิกขุ ป, ปาติโมกุคือพระวินัย อันเป็นหลักให้ภิกษุอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจกันในเรื่องศีลเรื่องวินยัยอีกเรื่องหนึ่งอันแสดงถึงความเป็นผู้มีประโยชน์เกื้อกูลต่อพุทธบริษัทของพระมหาโมคคลานะแม้ในงานนวกรรมดังเรื่องต่อปีนี้วันหนึ่งหลังจากพระโทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยที่บ้านของอนาถวินทิกะเศรษฐีแล้วสเสด็จบายพระพักไปยังประตูด้านทิศอุดรน มีพระประสงค์จะเสด็จไปโปรดบุตรเศรษฐีคนหนึ่งชื่อพทัทยาในพทัทยานครเพราะได้ทรงตรวจพิจารณาเห็นอุปนิสัยสมบัติของบุตรเศรษฐีนั้นตามปกติธรรมดาของพระาศาสดาเป็นดังนี้คือถ้าเสวยที่บ้านของนางวิสาขาก็จะเสด็จออกทางประตูด้านทิศทักษิณแล้วเสด็จไปประทับณเชตวานารามถ้าสวยที่บ้านของนางวิสาขาก็จะเสด็จออกทางราททรประตูทิศปราจีน เสด็จประทับณบุพสารามของนางวิสาขาคราใดที่พระพุทธองค์เสด็จบ่ายหน้าทางทิศอุดรผู้คุ้นเคยก็จะทราบได้ทันทีว่ามีพระประสงค์จะเสด็จจาริกไปยังที่อื่นๆตามที่ทรงประสงค์วันนั้นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเห็นพระตถาคตเจ้าสเสวยที่บ้านของอนาถบินทิกะเศรษฐีแล้วเสด็จบายพระพักไปทางทิศอุดรจึงรีบไปเฝ้าถวายบังคม แล้วกราบทูลว่าพระเจ้าข้าหม่อมฉันบริจาคทรัพย์จำนวนมากสร้างวิหารถวายพระองค์และพิสุสงขอได้โปรดเสด็จกลับเถิดพระเจ้าข้าวิสาขาพระาศาสดาตรัสอย่างอ่อนโยนธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่ควรอยู่ที่เดียวนานเกินไปการไปคราวนี้นานหลายเดือนนางวิสาขาคิดว่า พระศาสดาตรัส ด, ดังนี้คงได้ทรงพิจารณาเห็นใครสักคนหนึ่งผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยสมบัติที่พระองค์ควรจะโปรดเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วกราบทูลว่าถ้ากรณนั้นขอพระองค์โปรดรับสั่งให้พิสุรูปหนึ่งผู้เข้าใจในงานการก่อสร้างดูก่อนเถิดพระเจ้าข่าเธอพอใจให้พิสุรูปใดอยู่ก็จงรับบาตรของพิสุรูปนั้นเถิดวิสาขาพระศาสดาตรัสความจริง นางพอใจในพระอานนุน์มีความสนิทสนมและความเคารพรักเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อคํานึงถึงงานที่จะต้องทําให้สําเร็จไปโดยเร็วแล้วนางคิดว่าพระมหาโมคคลานะผู้เลิศ ด, ด้วยฤทธิ์จะยังประโยชน์นี้ให้สําเร็จได้ดีวกว่าจึงรับบาดพระมหาโมคคลานะพระมหาเถระมองดูพระาศาสดาเป็นเชิงว่าจะทรงอนุญาตการกลับของท่านหรือไม่พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าโมคคลานะ เธอและบริวารจงกลับเถิดเพื่ออนุเคราะห์วิสาขาด้วยอนุภาพของมหาเถระคนงานที่ไปขนไม้และหินในแดนไกลแม้ตั้งห้าสิบหกสยอก็ขนเอาไม้และหินมาทันในวันนั้นคือไปมาได้ในวันเดียวการยกไม้ยกหินใส่เกวียนก็ไม่ลำบากเพลาเกวียนก็ไม่หักไม่นานเลยก็สร้างปราสาทสองชั้นเสร็จปราสาทนั้นมีหนึ่งห้องชั้นบนห้าร้อยห้อง ชั้นล่างห้าร้อยห้องการก่อสร้างเสร็จในเก้าเดือนพระศาสดาสเสด็จจาริกไปในชนบทต่างๆคราวนั้นรวมเวลาเก้าเดือนแล้วสเสด็จกลับนครสาวัตถีพิสาขาทราบข่าวนั้นรีบไปเฝ้าอาราธนาให้สเสด็จประทับในวิหารที่ตนสร้างใหม่ด้วยวาจาว่าพระเจ้าข้าขอพระองค์และพิสุสง์ประทับในวิหารของข้าพระองค์ตลอดเวลาสเดือนเถิด ผมชั้นจะทาการฉลองพ ร, าาพระสาสวพระศาสดาทรงรับอาราธนาของนาวิสาขาดูเถิดดูผู้มีอัธยาศัยประณีตมีจิตใจน้อมไปในบุญกุศลย่อมสแสวงหาโอกาสทำบุญกุศลอยู่เสมอเพราะอนุสอนถึงพระพุทธพจน์ที่ว่าช่างดอกไม้พึงทำพวงดอกไม้ให้มากขึ้นจากกองดอกไม้ฉันใดสัตว์ผู้เกิดแล้วและมีอันจะต้องตายเป็นธรรมดา พึงสั่งสมบุญกุศลฉันนั้นดูก่อนผู้แสวงบุญ อันบุญกุศลนั้นองค์พระาศาสดาทรงเปรียบเหมือนพวงดอกไม้อันว่าพวงดอกไม้นั้นน่าทัศนามีกลิ่นหอมชวนชื่นใจฉันใดบุญกุศลก็ฉันนั้นเป็นสภาพน่าชื่นใจมีผลอันน่าชื่นใจคนมีบุญจึงเป็นผู้ทัศนาน่าชื่นใจสำหรับผู้เข้าใกล้แม้ได้ยินกิติศัพท์ก็ก่อให้เกิดปราโมทบุญย่อมกำจัดภัยต่างๆบุญเอาชนะอุปสรรคต่างๆ การสั่งสมบุญจึงเป็นการสั่งสมที่ประเสริฐดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลฝังทรัพย์สินไว้เพื่อใช้ประโยชน์เมื่อมีความจําเป็นแต่ทรัพย์ที่ฝังไว้นั้นไม่อาจให้สําเร็จประโยชน์ได้เสมอไปคือทรัพย์นั้นอาจเคลื่อนจากที่เดิมเสียบ้างผู้ฝังลืมที่เสียบ้างอมนุษย์นําไปเสียบ้างทายาทอันไม่เป็นเท่รักรอบคุดไปเสียบ้างยิ่งกว่านั้นเมื่อใดหมดบุญ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 ซับนั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วอันใครๆจะเอาชนะไม่ได้ติดตามไปได้ทุกแห่งเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุคคลย่อมถือเอาบุญนั่นแหละติดตัวไปขุมทรัพย์คือบุญนี้ไม่ทั่วไปแก่คนเหล่าอื่นคือเป็นของเฉพาะตนโจรก็นําไปไม่ได้นักปราดจึงนิยมทําบุญซึ่งมีปกติติดตัวไปได้ขุมทรัพย์คือบุญนี้ให้สิ่งที่น่าปรารถนาทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ ความเป็นผู้มีผิวพรรณดีความมีเสียงไพเราะมีสันฐานดีและรูปสวยความเป็นใหญ่และมีบริวารมากเหล่านี้ล้วนได้ด้วยบุญความเป็นเจ้าปกครองประเทศความเป็นอิสระความสุขอย่างพระเจ้าจั ก, กรพรรดิการเสวยทิพสมบัติในโลกทิพเหล่านี้ล้วนสําเร็จด้วยบุญมนุษยสมบัติก็ดีสวรรคสมบัติก็ดีทิพพานสมบัติก็ดีล้วนสาเร็จด้วยบุญทั้งสิ้น การได้มิต ด, ดีความชำนาญในวิชาและวิมุตตปฏิสัมพิธาวิโมกสาวกบรมีความเป็นพระประเจ พ, พุทธเจ้าและพุทธภูมิเหล่านี้ล้วนสำเร็จด้วยบุญทั้งสิ้นบุญญาสัมปทาคือความพรั่งพร้อมด้วยบุญมีประโยชน์อนิสง์มากอย่างนี้นักปราชญ์และบัณฑิตทั้งหลายจึงสรรเสริญความเป็นผู้มีบุญอันได้สังสมไว้แล้วว่าประเสริฐ